253อยห้สสทัศนะอุเขปนิยกรร ม, มปฏิปัสสธิกถาว่าด้วยการระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ426ภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัต แล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยื่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ I i> ขอระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติเอาละพวกเราจะระงับอุกเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมระงับอุกเขปนิยกรรม เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมระงับอุคเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทมปฏิรูประงับอุขเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยทำปฏิรูประงับอุเขปนิยกรรม เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้น